ปัท่านว่าฟังด้วยดีย่อมมีปัญญานี่อันในส่งของการฟังด้วยดีฟังด้วยความเคารพฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยศรัทธาความเชื่อความเรื่มใสด้วยอาศัยปัญญาพิจ น, นาจอสอบมองเห็นชัดเข้าใจชัด าการฟังนี่เป็นบุญเป็นกุศลให้บังเกิดผลความสุขความเจริญเช่นเดียวกันเหมือนกับเราทำบุญอย่างอื่นเรียกทำมาสรปดาหนาใหม่บุญเกิดขึ้นจากการฟังโดยความขคารกโดยความรำไสโดยความตั้งใจเพราะเป็นต้นเหตุให้เกิดความฉลาดบุคคลผู้มีความฉลาดเท่านั้น มีปัญญาสองเลือกการกระทาในชีวิตประจำวันเพื่อจะได้นำชีวิตของเราไม่ให้ตกต่ายกระดับชีวิตของเราให้สูงด้เอียดประณีตขึ้นตามระดับเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> การฟังด้วยดีจึงมีอันิสริมมากผู้ที่จะปฏิบัติก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเราไม่ใช่ปัญญาตรมีพุทธภูมิเราสาวกสาวกัแปลว่าเป็นผู้เดินตามผู้ปฏิบัติตาม ทั่ที่จะปฏิบัติตามต้องอาศัยการเห็นหรือการได้ยินได้ฟังจึงจะรู้จึงจะสามารถปฏิบัติเดินตามทางที่ถูกต้องได้ถ้าหากเราฟังไม่ดีความรู้ของเราก็ไม่ดีเมื่อความรู้ไม่ดีพอแล้วการปฏิบัติก็ย่อมขาดเขินไม่สมบูรณ์บริบูรณ ทั้งนี้เพราะเราไม่ได้ตั้งใจฟังโดยความเคารพเพราะฉะนั้นเมื่อฟังโดยความเคารพแล้วเราก็จะได้ยินได้ฟังในธรรมะที่เรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังเราเคยได้ยินได้ฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจชัดขึ้นเมื่อเราได้ฟังแล้วก็สา ม, มารถที่ บรรเทาความสงสัยที่มีอยู่ในจิตใจของเราได้จิตของผู้ฟังนั้นย่ อ, ยอมมีสติผู้ฟังด้วยดีมีสติระลึกทรรมที่ตนจดจำไว้นำมาใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำให้เกิดความเลื่อมใส ในการปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปจิตย่อมพองใสสะอาดหมดจดจากการได้ยินได้ฟังเมื่อจิตของเรารู้จักวิธีการปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ใช้ความรู้สองทางซึ่งเป็นม่าคาบปฏิปทาข้อปฏิบัติของเรา ตามหลักทำคําสอนขององค์สมเด็จพระสมมาสัมปชัญเจ้าให้เราทั้งหลายได้เดินตามทางาไม่หลงทางไปตรงทางไม่เสียเวลาถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาไม่มีคนเลือกแล้วทางนั้นมีหลายทางหลายเส้นหลายสายด้วยกันยิ่งทางในทางโลกแล้วยิ่ง น, นี่มากทีเดียว ทางและทางทาก็มีมากทางตาก็มีเห็นไปอย่างหนึ่งทางหูก็ได้ยินเสียงไปอย่างหนึ่งทางจมูกก็ได้รู้อีกอย่างหนึ่งทางเล้นก็ได้รู้อีกอย่างหนึ่งทางกายก็ได้รู้อีกอย่างหนึ่งทางใจก็คิดนึกไปอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจ ไม่มีปัญญาแล้วไม่สามารถจะเลือกทางที่ถูกต้องได้เกิดความสงสัยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นองค์ต้องเด็กพระสัมมาสัมพุทธจ้าพระองค์จึงวางทางไว้เพื่อให้เราทร้งหลายไม่ต้องเที่ยวแสวงหาทางหรือเที่ยวหาทางด้วยตนเองพระองค์ได้ปรับปรุงผนทางไว้ เพียงแต่เข้าใจแล้วก็วิ่งไปตามทางก็ไม่เสียเวลาก็จะได้ถึงจุดหมายปลายทางให้ hey, ระวังทางที่ผิดเท่านั้นทางที่ผิดนั้นเราก็ควรรู้จักไม่ใช่ว่ารู้จักแต่ทางถูกอย่างเดียวทาไมรู้ทางผิดแล้วอัดทางผิดกับทางถูกมันคล้ายคลึงกันทำให้เราสะดสุดได้ เหมือนกับบุคคลที่พยายามทำธนบัตรปลอมถ้าเราไม่ศึกษาที่แท้จริงแล้วเราจะไม่ทราบเลยว่าไหนแท้ไหนปลอมเพราะเขาเอาของจริงของแท้อลไรมาทำเทียมขึ้นมาเพื่อให้เหมือนที่สุดแต่ถึงอย่างไรผู้ที่ศึกษาดีแล้วหลอกไม่ได้เข้าใจว่าเป็นของปลอมได้ส่วนทางที่ผิดก็เช่นเดียวกัน เราก็ควรรู้จักทางที่ผิดนั่นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางไว้ก็เป็นคู่กันกับทางที่ถูกเอเช่นมิจฉาทิฏฐินี่ก็เป็นทางที่ผิดมีความเห็นผิดมิจฉาสังกปเอเป็นทางดังหรือผิดอมิจฉาวาจาโูษผิด มิจฉาตํมันโตคือทำการงานในทางที่ผิดมิจฉาอาชีวเลี้ยงชีพในทางที่ผิดมิจฉาวายามโมเพียงพยายามผิดมิจฉาจตและลิกผิดมิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นไวผิดเพราะฉะนั้น เราควรรู้จักแล้วมีสติคอยระลึกตรวเรงด้วยอาศัยปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังมาสุดกับมายะปัญญาดวงต้นเราก็ต้องอาศัยปัญญาจากการได้ยินได้ฟังจดจำไว้เมื่อเราปฏิบัติถูกแล้วได้สัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งธรรมะที่ถูกต้อง รเราเห็นจริงขึ้นมาเราก็จะได้ปัญญาที่ใช่จริงเรียกปัญญาญาเกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ถูกต้องในวันนี้จะได้แสดงถึงหนทางสุดท้ายเรียกสัมมาส ม, มาธิได้แสดงมาแล้วตามลำดับเปลี่ยนวันละองค์ที่ประกอบไปด้วยองค์แปร แสดงมาได้เจ็ดวันแน่วันให้เป็นวันที่แปดสมาสมาธินั้นโดยย่อก็แปลว่าความที่จิตตั้งมันชอบอิกเข้าไปตั้งในที่ชอบถ้าพูดไปแล้วก็ต้องอาศัยสมาธิินั่นเองคือใช้ปัญญามาเลือกที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้ว แม้เราจะไปตั้งในสมาสังกปก็เป็นตั้งชอบแม้เราจะไปตั้งในสมารกรรมโตโยกการงานตรวจตรองงครับควบคุมให้มีการงานมั่นคงในฐานที่ชอบแเลิกการพูดแล้เอาไปตั้งในการพูดแต่พูดที่ชอบเลิอการเรี่ยงอาชีพแล้วก็ตั้งมั่นยึดมั่นอาชีพที่ชอบเราจะไม่ทําอาชีพที่ผิด เราจะไม่ทําการงานที่ผิดเราจะไม่พูดในทางที่ผิดที่เป็นชุตจิริตต่างตากเราจะไม่เพียรพยายามในทางที่ผิดหรือในผิดในผิดผในการทีแต่ทำที่ผิดผนทางเราไม่จะลึกนอกทางเราจะลึกเป็นในทางในทางที่ถูก นี่จะเป็นจิลเรายึดมากสมาทานอธิษฐานไว้เลือกตั้งจิตภาวนาในทางผิดชอบสัมมาสมาธิในสิ่นี้หมายถึงจิตจะภาวนาคือให้ภาวนาในทางผิดชอบนั่นเองด้วยสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาใช้อุบายสมถะภาวนาคือทำจิตใจให้สงบ จิตใจให้สงบนี่ก็เป็นสมาธิส่วนหนึ่งเรียกว่าทําให้จิตตั้งมั่นในกุศลธรรมถ้าหากว่าไม่ตั้งมั่นในกุศลธรรมแล้วจิตจะสงบไม่ได้เช่นว่าอกุศลธรรมเกิดขึ้นจิตก็ย่อมไม่เข้าไม่เข้าถึงสมาธิเพราะฉะนั้นจิตที่จะเข้าถึงสมาธินั้นท่านกล่าวว่า วิจิจจะอาการตาเมวิจวิจจะอตุษณ์เลเคลื่อนต้องสงัดจากกามอารมณ์เอจิตไม่สำประยุทธ์ยินดีน้อมไปในทางรูปอที่เป็นเหตุให้เกิดความหลงไข่พอใจอจิตไม่น้อมไปในทางเสียงที่เรารักเราชอบใจอจิตไม่น้อมไปในกลิ่นในรสใน สัมผัสทางกายที่เราหลง เ, นหนเห็น้วยอานาจแห่งความยินดีและความพอใจในรัฐถูกเหล่านั้นจิตก่อนจะเข้าสมาธิจะจิตจะสงบนั้นต้องปล่อยวางอารมณ์แต่ห้าอย่างนี้ก่อนเรียกว่าสนัตจากวิทวิทเกวากามีสนัตจากอารมณ์นี้ก่อนวิทวทิเจว่าอาุมณ์เละ ก็สนัดจากอภิสมณธรรมซึ่งท่านเรียกว่านิวณ์ห้ามีการมาฉันทะเป็นต้นที่เกิดขึ้นในจิตเราตั้งสมาธิอักกิเลสมันพุงขึ้นมาระลึกขึ้นมาเกิดความ พ, พอใจในรูปภายในและรูปภายนอกยินดีล้งไห้อหยียดใน สิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นด้วยความพอใจกรรมฉันทะหรือไปลึกเรื่องที่ไม่พอใจเกิดพยาบาทอาฆาตในสินใดในวัตถุใดในอดีตหรืออาจมันพูกขึ้นเกิดขึ้นในปัจจุบันดันขึ้นมาขัดขวางควาสมสงบของเราเลือกว่าจิตผู้สร้างจิตสลงคางให้เกิดจิตสลงคา นี่ก็เป็นอกุศลจิตที่ขัดขวางไม่ให้เป็นสมาธิทินามิทะนี่ก็เป็นอกุศลจิตจิตที่เกียดไม่เอาใจใส่ในการภาวนามไม่สติไม่ตั้งมัน่นในงานที่เราจะต้องทำหรือตั้งใจจะทำ ปล่อยให้เล่นเลิกที่เกียดขี้ข้านง่วงกับเหงาเหงานอนจิตง่วงนอนในจิตทอดสุระไม่เอาใจใส่ในกรรมฐานะระลึกพุทโธพุทโธรละรททรละรึกเล่นปล่อยทิ้งไปยังนั้นไหะไม่เอาใจจดจ่อเพื่อให้ตั้งมั่นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในพุทโธนั้นเวลาจิตละเอียดเข้าไปเกิดความง่วงลืมหลับหลงโมหะครอบงำ เป็นอกุศลจิเรียกอัติณามิทะอุทาจจะกุกุจจ์ความฟุ้งซ่านลมคันอันนี้ก็ไม่มีสติควบคุมเรียบสาปลอยจิตไปตามอารมณ์ฟู้ออกไปที่อารมณ์ที่ชอบและไม่ชอบเป็นธรรมดาของจิตที่ของบุคคลที่เมื่อไม่มีสติควบคุมแล้วจิตนี้ไม่เคยอยู่นิ่ง มรรคพิสัยตามอารมณ์ร้อยเปรตเพราะฉะนั้นผู้จเจริญสมาธิก็ต้องสังรวมต้อระวังไม่ให้จิตฟุ้งออกไปให้มีสัมปชัญญะรู้ตัวในปัจจุบันให้มีสติระลึกในปัจจุบันและก็มีสัมปชัญญะความรู้ตัวคําารู้ตัวนั้นระลึกพุโทโธพุโทโธก็มีควบคุมอยู่ในพุโทโธด้วยมีความระลึก ด, ด้วย เลยจะระลึกในกายเกษาผมลงมาขนเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็มีความระลึกและมีความรู้สิ่งที่เราระลึกด้วยทไม่ให้เป็นแยกไประลึกอย่างอื่นจึงจะดัดความผู้สร้างรำขานได้เมื่อร ะ, ะลึกนานไปนานไปกายค่อยอ่อนจิตค่อยอารมณ์ระนั้นคอยอ่อนมันก็สงบลงได้แรืมันค่อยอ่อนลงเพราะถูกควบคุม เราตัดเชื <PTSD> <denominator. S 1> ่อมันไม่ให้มันขนองเหมือนกับไฟมันรุกแรงเราไม่ให้เชื่อมันเอาเชื่อมันออกดึงออกดึงออกมันก็ค่อยอ่อนลงอ่อนยงอ่อนลงเชื่อของมันคืออะไรคือความเถลอความเผอนี่เป็นเชื่อของความของกิเลสสองอย่างเรียกอ่าสินนะมิธาแล้วก็อุทธจักกุฏจังอันนี้เพราะความเถอความปลอย ทีนี้เมื่อเราเอาชัติีไปตั้งเนือลึกแล้วและเอาความรู้ตัวกำกัดด้วยแล้วไปชื่อว่าตัดความเผลอออกโมหะออกกิเลสส่วนโมหะนั่นก็ถูกทรมานหมดฤิธไปค่อยดับไปแต่ยังเหลือแต่ความรู้ก็คือพุทโธ เลือกความรู้ในกรรมฐ า, านที่เรารักษาไว้เมื่อเราสรามันแนว่วแนว่ไม่เผลอแล้วอาการผู้สร้างก็อ่อนลงหรืออาการง่วงเหงาเขานอน อ, อก็หายไปมีจิตตั้งมัน่นขึ้นมาอาย่อมเป็นสมาธิ ต, ตั้งมัน่นนี่สมาสมาธินี่ทางให้เข้าถึงสมาธิ เราต้องอาศัยสติอาศัยความรู้ตัวสำประชันยะเป็นคู่กันแต่ทํากลับด้วยส ม, สมาธินี้จะเกิดขึ้นตามลําพังไม่ได้จะต้องมีเครื่องมือมีบริหารช่วยเหลืออุดหนุนเพราะฉะนั้นมรรคทั้งเจ็ดอย่างขั้งต้นเป็นบริหารของสมาธิหรือเป็นปัจจัยของสมาธิก็ได้เครื่องอาศัย จะมาที่จะต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมากำกับควบคุมต้องอาศัยสัมมาสังกับโภจะต้องอาศัยสัมมาวาจาการเจรจาหรือพูดจาให้ชอบด้วยจะต้องอาศัยสัมมากมันโตจะต้องอาศัยสัมมาอาชิวจะต้องอาศัย <c oughs> สัมมาวาญโม ο. ความพยายามชอบจะต้องอาศัยสมาสติเมือ่อเราได้เจริญมัดขันต้นมาตามรนดับทั้งเจ็ดอย่างอยู่นึงนิดแล้วสมาธิจิตตั้งมันก็นอ ค, อค่อยเกิดขึ้นให้ละเอียดไปตามรนดับจิตค่อยได้รับการอบรมแต่จึงถึง สามารถละในวรได้ละกามรมได้เรียกว่บวิวิเจวกาเมเลหิวิวิเจวอกุสเลหิเมื่อสงบจากกามรมสงบจากอากุศล ร, รมแล้วจิตเข้าสู่สมาธิมีความสงบมีปิติมีสุขเอก ข, ะขะตากายเบาจิตเบาขึ้นมาแต่จิต ขั้นต้นก็ยังหยากอยู่ยังไม่ละเอียดยังมีวิตกวิจารณอยู่ในองค์สมาธิในความสงบนั้นถ้าหากว่าสติของเราดีเจริญเพยายามระลึกต่อไปอีกเราไม่ถอยมีความเพียรดีมีวัสติระลึกดีเข้าไปอยู่ตามระดับมีสัมพันธ์อยางความรู้ตัวควบคุมกํากับอยู่ ส่วนอยาอยๆ ก, ก็เข้าหลุดออกไปเข้าสู่ความละเอียดไปตามระดับวิตกวิจารก็ซึ่งอารมณ์หยาบ ก, ก็หมดไปไม่สามารถจะติดตามไปได้ยังเหลือแต่ปีติและสุเะขเอกะจารภ า, าวนามไม่ลดละละเอียดไปตามระดับพยากรวัจจรผู้มีความเพียด ลวจิตที่อยากไปตามระดับปีติก็ยังอยากกว่าสุขก็ทุกข์หลุดไปสุขยังเหลืออยู่สุขก็ยังอยากกว่วอุเบกขาพิจารณาเมื่อจิตละเอียดเข้าไปแล้วสุขนั่นก็หายไปเหลือแต่อุเบกขาแต่จิตเป็นกลางกลาถ้ากลับได้สุขยังไม่ตัดอุเบกขาก็ยังเกิดขึ้นไม่ได้จิตก็ยังเฉลยสุขอยู่นั้น ส่วนอยากอยู่นั่นแต่ด้วยอาศัยความเพียรเป็นยามเห็นโทษของความสุขนี้ว่าเป็นยังเป็นอยู่ในใจลักที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนาาัตตาเพราะเป็นเวทนาอนิจจาเป็นเวทนาขันจิตไม่ปล่ลอยว่างไปยากตนันไปถึงอุเบกขา อุปบิขาถึงแม้ว่าจะเป็นเวทนาแต่ก็เวทนาที่ละเอียดสมควรที่จะทำให้จิตสะอาดหมดจบพอที่จะมียานรู้ธรรมะส่วนละเอียดได้เพราะฉะนั้นจิตถึงขั้นนี้จิตตั้งมั่นแน่วแน่ไม่หวั่นไหวเพราะจิตเป็นทลางกลางไม่หวั่นไหวใน ชักลังโองเปคขาได้เห็นรูปหูแต่ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รลกายได้โพดสะพะหรือทรมารมใดๆที่จะมาบกวนจิตให้หวั่นไหวนอกจากองค์ฌานที่ตั้งมั่นแล้วไม่ได้จิตขนาดนั้นบริสุทธิ์หมดจดเต็มที่นี่สัมมาสมาธิเรียกว่าสมาธิชอบ เราทั้งหลายควรเจริญเพราะถึงขั้นนี้แล้วมันพ้นมันถูกมันดับไปแล้วแต่เพียงแต่สมาธิเรียกแตสมถาภาวนานั้นสงบระงับดับทุกทั่วคราวเพียงแต่สติเข้าไปคุมปัญญาอย่างอ่อนไม่สามารถจะถอดถอนกิเลสอนุใสอย่างละเอียดแต่ได้ไม่สามารถทำอาสวะให้สิ้นได สาเหตุนั้นเพื่อจะให้สมาธิชอบในองค์ภาวนาให้พร้อมด้วยสมถะภาวนาท่านจึงไม่นอนอยู่ในความสุขเพราะอาศัยความสงบอย่างเดียวพอสงบพอสมควรแล้วท่านยกจิตขึ้นพิจารณาขันธ์ขันห้าเพราะขันธ์ห้านี้เป็นบาทของริบสนา เป็นหลักของการเจริญวิปัสสนาการเจริญวิปัสสนาในแต่จเจริญนอกขันธ์ทาไม่ได้เพราะขันธ์ท่านนมีอยู่ในตัวของเรามีพร้อมอยู่ทางห้าใกล้จิตใจอยู่กับตัวเราอยู่เสมอเช่นรูปขันธ์เจริญอย่างไรจึงจะจิตนั้นเป็นวิปัสสนาได้วิปัสสนาเคยรู้แจ้งประจักษ์ตามความเป็นจริง รูปฟังอ น, นิจจังรูปนี้ไม่เที่ยงอั น, นี้โดยย่อเมื่อเราเจริญวิปัสสนาแล้วเราก็พิจารณาให้ละเอียดรูปได้แก่อะไรบ้าง ไ, ได้แก่ผงขนและฝันหนังมหาพุทธรูปสี่ที่เรามองเห็นสัมผัสได้มองเห็นได้โดยตาส่วนอุปทายารูปที่ละเอียด ที่มองไม่เห็นได้เดินตาแต่สัมผัสได้ที่อาศัยมหาพูทธรูปเป็นต้นว่าเสียงก็เป็นรูปชนิดหนึ่งแต่เรียกว่าอุปทานอุปทายรูปกลิ่นก็เป็นรูปชนิดหนึ่งแต่รูปอาศัยรูปใหญ่คือมหาพูทธรูปรสก็เป็นรูปชนิดหนึ่งพอสัมผัสก็มีสัมผัสก็มีรูปชนิดหนึ่งจับคุปตะก็เป็นรูปชนิดหนึ่ง โสประสาทก็เป็นรูปชนิดหนึ่งขานประสาทก็เป็นรูปไม่ใช่นามธรรมเชวหาประสาทกายประสาทสิ่งเหล่า น, นี้เป็นประสาทรูปอาการที่ภวาวะรปูปุริสภาวะการที่แต่งมีอัตภาพประกฏเป็นผู้ชายกด็ดีเป็นผู้หญิงกด็ดีนี่ก็เป็นรูปชนิดหนึ่ง เรียกว่ารูปอาศัยเป็นใหญ่เรียกว่าอินทรีย์รูปก็ได้เพราะเป็นใหญ่ให้ทำหน้าที่กิ ร, ยริยามารยาทเสียงสานองให้เป็นผู้ชายแต่ผู้หญิงให้มีกิ ร, ยริยามารยาทลักษณะให้ต่างออกจากผู้ชายเป็นใหญ่ในหน้าที่อันนี้ก็การเป็นรูปนี่กดเป็นเป็นรูปชนิดหนึ่งฮะไทยรูปคือรูปหัวใจฮะไทยวัตถุที่อาศัยอยู่ นม่ตกเป็นรูปชนิดหนึ่งบัญญัติรื่องกายวันญยญักคือให้เคลื่อนไหวทางกายเห็นได้วจีบัญ ญ, ญัตให้เปล่งวาจาได้สะดวกตามต้องการให้กายนี้เคลื่อนไหวทำการงานได้ตอ่อในเราทั้งหลายศึกษาวิปัสสนาเพราะฉะนั้นอรูปนี้ เระพุทธเจ้าต่อในเราทาั้งหลายศึกษาวิักษณาให้รู้เพื่อจะได้ถอดถอนอุปทานยึืดมั่นว่าเราเป็นของเรา้วยสำคัญผิดเพราะเหตุใดเพราะเราพิจารณาแล้วรูปไม่ว่าละเอียดยากเหมือนกับกากินจี่รุปฟังอาติต า, าน่ากระจักประจุบันนั รูปอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันอยากละเอียดเป็นเนตอย่างไรเร็วตามอย่างไรก็ตามรูปองอดีตอนาคตอย่างไรก็ตามรูปเหล่านั้นอนิจจังรูปฟังรูปเหล่านั้นไม่เที่ยงรูปฟังอนิจจังอรูปฟังทุกขงังเรูปฟังอนตัตตา รวงจะอยู่ในใจแรกเรียกว่าอนิจจสุขขังอนัตตะทางนั้นอันนี้เราจำเรียกว่าปริยัติธรรมการจดจำให้ชื่อมันไว้เมื่อเราจำแล้วนำมาพิจรารณาแต่ละอย่างละอย่างให้เกิดความรู้ความเห็นญ า, นาณทัศนจะแกงแจ้งขึ้นมาเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นตามความเป็นจริงนี่เรียกว่าวิปัสสนา บัญญายมาโดยย่อยอยกอไปเพียงรูปส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านั้นเราก็เมื่อเห็นรูปแจ่มชัดแล้วเวทนาคือความสุขทุกข์มันก็มีอยู่ในตัวของเราเรารู้แล้วพิจารณาแล้วมันก็ไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ทำให้เราทุกข์เพราะอนั้นทุกซ้อนทุกข์ขึ้นมาอีก แต่สิ่งเขาไม่ควรแต่ทุกแต่มันจะทําให้ทุกจนได้ตลอดเพราะมันเถึงจเป็นอนัตตาก็จริยถ้าเราไม่รู้มันก็มีทุกข์ถ้าเราไม่รู้มันก็เป็นอนิจจ์ทั้งสิ่งเหล่านั้นเป็นอนัตตาเพราะความไม่รู้นี่เองเพราะฉะนั้นจึงมีอวิชชานนเป็นตัวเพราะเราไม่ได้เจริญวิปัสสนาให้รู้แจ้งความเป็นจริง เราไม่สามารถจะทำลายอาวิชชาสวะคือสิ่งที่ละเอียดอยู่ในนิจอยู่ในตัวของเราได้ไม่สามารถจะทําลายภาวะสวะไม่สามารถจะทําลายกามสวะได้เพราะฉะนั้นทาเราสามารถพิจรารณาเจริญวิปัสสนาในรูปกรรมมฐานนี่ยเห็นแจ้งปริจักษ พร้อมด้วยไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดนิพพิทาเบื่อนายแล้วเมื่ออวิชชาสะวะถูกทหลายและภาวาสะวะกดิกรรมมาสะวะมันก็ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อาศัยเกิดไม่มีที่จะปรุงจะแต่ง เ, เพราะมันไม่หลงเมื่ออวิชชาดับแล้วความปรุงแต่งสังขารก็ดับ เ, เมื่อสังขารดับแล้ว ทุกอันใดที่เกิดขึ้นอาศัยสังขารมักดับดับไปด้วยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจิตภาวนาเชิญตามมักคาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในมัชประกอบไปด้วยองค์แปดเมื่อโดยย่อมาแล้วก็คือสินชั่มลงตายชั่มลมว่าจาัเป็นมัชสมาธิ ก็ตั้งใจมันปัญญาก็คือวิปัสสนานั่นเองรวมอยู่ในสมาธิเมื่ออบรมสมาธิแล้วต้องเจินทั้งสมถะและวิปัสสนาเพราะฉะนั้นสินสมาธิปัญญานี่เองตัวมารคผโดยยอ่อๆหรือจะย่อมาอีกก็ได้แก่รูปกับนามคือตายกับจิตนี่เองสองอย่าง เมื่อเรามาเรียนรู้ละเอียดจบทั้งส่วนไหนส่วนกายมีลักษณะอย่างไรเรามาศึกษาเข้าใจถูกต้องแล้วมารู้ถึงอาการของจิตกับกายที่สัมผัสสัมพันธ์กันแล้วก็แยกออกจากกันส่วนไหนเป็นอนัตตาส่วนไหนไม่ใช่อนัตตาตัวของมันเองไม่ใช่อนัตตา มันมีตัวของมันแต่ละอย่างละอย่างไม่ใช่เราไม่มีตัวเลยที่เดียวถ้าไม่มีตัวเลยที่เดียวจะสัมผัสได้ยอย่างไรลองคิดดูหมอนกระดาษไฟเนี่ยใครจะทําลายมันได้มันตัวของมันซึ่งจะเป็นอนัตตาก็สามารถแมก็อนัตตาโดยตัวของมันเองธาตุน้ําก็เป็นอนัตตาของมันเองธาตุไฟก็เป็นอนัตตาของ มันเองกับคนอื่นกับสิ่งที่วัตถุอื่นแต่วัตถุเหล่านั้นมีอยู่แต่ไม่มีอุปทานนะยึดถือเท่านั้นเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายคึงทราบข้าใจอันนี้แล้วนำมาปฏิบัติพุทธะอบรมให้ถูกต้องแล้วเราก็จะได้ไประสพบพกเห็นความสุขความเจริอดังบรรยายมาสมงวรเป็นเวลาจากนี้ไป ให้ภาวนาต่อสมควรเก็บเวลาและจิงเลิ่นเครองค่ะ